ก็คนของฉันมันไปชาติได้โดยการวัดตัวเองถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ได้ทางจิตจะไอไอการประคองตัวเนี่ยไอคนจ่ประคองตัวให้มันล้มไปเลยว่าจิตที่ได้ทรงชานสีถ้าทรงชันสีแล้ววิจารนายันมันเร็วใช่ไห้า ต, ตัวนี้จะบังเอไไิญไปได้เนี่ยเราตองทดสอบแต่ไปถึงสวรรค์มันสวรรค์ถ้าไปถึงพรหมรมนพรหมอันนี้แน่นอน ชขอจุกเน่เรามีหวังแน่นอนถ้าไปเข้าเกียรทนได้เราก็มีหวังค่ะเนี่ยมั น, เ, เ, เ, ป น, น เ, เป็นความหวังเทื่รสร้างกำลังใจขพือเอสเอสไม่ใช่เพื่ดาวสวดแม้นี่เป็นฝ่ายงงงีงงงสี่คนนี้ออกมาต้อนดอกยายาจะต้านมันมองไม่เห็นแล้ใช้ก็นั่งนะโตที่นี่ที่แดนที่ของฉันตอนนี้คนละห้าหกหมื่นมั้ง เขีแยกไปเขามารวมตัวกันเท่ามือนะั้นลูกหลานเท่านั้นนะไม่มีใครไม่เคยผสมอ่ะเนี่ยทำไมเขาไม่เคยมีหลานไม่เห็นลูกลูกของเมียมนันเพื่อนเพื่อนไม่มีคนเขาต้ออยู่แดงเขาเพราะว่าไอ้แดงเขาฉันมันกว้างหน่อยถ้าใช้ปัจจัยพุทธกุศลที่เวรทานสามหลังเขาบริเรณกว้างมา กมากเราขึ้นไปพรมทีรักษาหน้าวระตูในสีน่นอกสีปตเคยเข้าแดดเนี่ยยัไม่เข้าป้านหน้าประตูขยกมือไหว้ท่านท่านมาบอกพุ่งมาเดน ม, มานานแล้วมดูเพื่อนหน่อยแล้วผมังลากว่าพุ่งล่างเป็นของต้ของพุมมันเป็นแต่พรหมแ่ไปนาคามีจะไปอะไรนี่แล้วนมมีพรมแม่ตีอยู่ไม่ได้เสียแล้วนะ แล้วเข้าเกิดมเหมืนนอนทหารใหญแล้วไม่ต้องไปพ่ออลไรอันตรายแล้วไม่มีเพราะทำตาหน้าที่แต่วันนี้ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ดำนีไปยืนคุยพักกับพระหัส น, นี่แต่งตัวมืนผมแต่ว่าลีลาสูงกว่าและเอียดกว่าอะไรก็ไร้กว่าเหมือนผมก็ใหญ่ยยกว่าร่างกายถ้าเทียบกับผมก็ใหญ่กว่าผมมาก แต่สวยก็คงว่ายืนคุยครับคุยไปคุยมาไปถานี่คนนี้เป็นอะไรนี่วะโมดีว่าชนะวยเาไม่แพ้เาะวะต้องถามก็เวมีวะนมเรานี่ถ้าห็ว่าแะบอกว่าอยาวะทุกอย่างใครว่าอะไรนะเลยเข้าเวลาวันีด้วยกัน พอเข้าจิรามณีไปก็เทวดามกเป็นคือเนาเ่กเมืงนเลงคือเขาไปแล้มันรู้เองว่ากลุ่มของเราจะเข้ากไหนกเหมือนก็พวกข้ารการใช่ไมเวลาจะนั่งเขาเขาเชิญไปตั้งแต่้นตรีหรือท่น พ, นพิเศษแต่เาก็รู้ที่นาง่าตัวไม่เข้าตามกลุ่มทนตัวเขาเข้าตามกลุ่มตั ว, ว, ต พ, วพระเจ้าแผ่นนตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรอยู่ ก็อยู่อยู่นอกเข้าไปจนประเทศเลยแล้วก็เลยไม่ต้องการอยู่โลกประเทศแล้วทุกคนก็ต้องเป่แลงควารกเร่องธรดาทุกคนรรมดาทุกคที่ยังไม่ถึงเล า, าแต่งตัวก็ยังไม่ได้รับวิญญาณท่านหลังขามือที่ดูขนาดร่รางกายทุกคนที่ยังไม่ตายกาลังนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่ก็ไม่ได้คนตายอยู่ไหม สงบลงก็มองไปดูทรบนี้เรองที่อายเรามันนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์วเราเลยในความสงบลงแล้วเ่อเราเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่เป็นเ่อนแท้เป็นบดาโลตีอาโลตีไหมความไม่ได้เป็นผู้สรงทานใช่ไหมหรือว่าสรงทานโลตีก็ถือว่าเวลานี้เรามีกายบริสุทธิ์แล้วจะมีกายเป็นทิศก็ป็นควรจะหายหันก็ไปหาเอเดน่าเบลสายเพ่อเป็นความส จะมีความถูกชี้เทศนละชี้เลยเนี่ยมองเห็นเลยมันดูอะไรไม่ได้เลยนะมันคนมันเน่าหน้าดูกัางเน่าหน้ารักไม่เป็นฉันรักอะไรแล้วนะนะไอ้คนร่างกายของคนนึ่นอนหลับถ้าดูแลมันก็เหมือนไอ้ทอนไม้ถ้าทอดไม้มันดีกว่าถ้าทอดไม้มันยม่เน่าไอ้คนมันเน่า เออนี่พวกที่จะไปตรงนี้เดี๋ยวขอค่าเสกนะครับคนแรกเสกไป ห, หมดแล้วก็ท่าหรับที่ก็คืนแล้วมันยังขาดอีกเท่าไหร่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดิวถามดูว่ากันนะ่า